พวกเราตัวโมชนมีทั้งสังฆะนักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นแม่คีมีทั้งอุวาสุวาสิกาผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและพากันมาปฏิบัติตามคำสอนนั้น โดยความสมัครใจก็ได้ถามผู้ที่มาบวชใครบังคับมาตอบร้อยทั้งร้อยว่าไม่มีใครบังคับมาด้วยตัวเองทำไมจึงมาอยู่ที่นี่มาบวชที่นี่ก็สนใจเรื่องการปฏิบัติ สนมากจะตอบอย่างนี้เราเรียกว่ามาดีแล้วผู้เชื่อฟังแล้วในคิดในอ่านในทบทวนดีแล้วว่ามาปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็มีแล้วก็เชื่อวิธีที่หยุดปฏิบัติทนะ่านเราทำดูแล้วเชื่อมั่น ในวิธีการปฏิบัติจนลูสฉกตัวได้ทุกเวลาทีเราก็มีความเชื่ออย่างนี้เป็นทุนอยู่แล้วหรือว่าเมื่อดาของเราสามาจะอุกจะฟังอะไรลงไปได้เกิดมากเกิดผลขึ้นมาราก็ได้รับหนังสือ สีร่งกามีพระสงฆ์ที่อาจารย์นนตที่ให้วีซ่ามาอยู่ปฏิบัติที่นี่เขาก็ดีใจเ้าก็มีสตาเดี๋ยวนี้เทศอกสีรัางกาโคลมโบ o กำลังเปิดพิธการปฏิบัติในแนวรูปแบบหลวงพ่อเทียนในกลงุงเมืองหลวงเอา น่นก็มีศรัทธาความเชื่อเขาจะมาถึงที่นี่ประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนี่ก็มีความหมายเหมือนกันหมดเมื่อลามาแล้วห้อมแล้วมาดีแล้วเอาเลยบ่าเจ้าได้โชว์ขึ้นมาในเรื่องธรรมเทศนากันแรก เอาขึ้นเขียงเลยสิ่งที่ทางที่ไม่ควรเสพไม่ควรคล้องแวะคือกามัจจุขานิยมอัฏฐะจิมัฏานิโยมมันอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ชีวิตจิตใจเราเคยท่องเที่ยวมันมาเอาเลยเอาขึ้นเขียงเลย <c oughs> บูชายันไปเลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นไม่มีสติเข้าไปลบล้างมัน แต่ให้โอกาสปอกมันขึ้นธอเหมือนว่าพวกราวดนี่เหมือนกับพ้า ก, กายออกมาแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนแล้วพ้ากออกมาแล้วกายแต่ภ้ามาเฉยๆพวกเราขึ้นฝ่องเฉยๆแต่ยังไม่แห้งดี ก็อาจจะสีไปไม่เกิดต้องภากทั้งใจออกมาด้วยใจนั่นถ้ายังไม่แห้งมันยังคิดถึงเรื่องการามเรื่องกิเลสตัณหามันยังชุ่มอยู่มันก็สีไปไม่เกิดเราจึงภากออกมาทั้งกายทั้งใจด้วยตามที่พระเจ้าสอนเรียกว่ากรรมฉวนิกาโยโชให้ปัญจวีร์ฟังเลย หักดิบเลยนี่คือเด็ดขาดเด็ดขาดบ้างกอนเด็ดขาดไม่ถ้าไม่มีการเด็ดขาดลเลยเลยมรรคผลพิพานจะไม่เกิดนะเหมือนกับไม่ที่ไม่แห้งสีไฟไม่เกิดแน่นอนรู้จักสีไฟไหมเคยร้อยฮเอาไม่ไผ่เอาไม้ไผ <laughs> ่แห้งๆมา อ, อันหนึ่งก็มาวางไว้เป็นคงคงอันหนึ่งก็ทําเป็นร่องเอาขยะใส่สีไปสีมามันล้นเปิดไฟขึ้นมาได้ไฟจากการสีไม่มีไม่ขีดเหมือนทุกวันนี้สมัยคนโบราณน้อย่อมได้ไม่ไผ่ที่แห้งแต่ไม่ไผ่ที่เป็นเนี่ยสีไฟไม่เกิดแน่นอนอันนี้เกิด ขึ้นกับพระพุทธเจ้าตอนสมัยที่พระองค์เป็นดาบวเป็นชิทัตถะออกบวชลยอุปมาอุปมาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นความจริงยังใช้ได้อยู่กับชีวิตทุกชีวิตพากออกมาอย่าไปคุ้นคิดในลมที่คุ้นคิดโดยคิดถึง เรื่องกวามเรื่องในที่คุณคิดอยู่มันก็เพลินมันก็ทําให้ติดได้มันเป็นการเฉบได้มันทำให้มึวม่มองสินทะลุดได้เราภาคหมาแต่ไกลๆนูน่นเร่มมาไกลๆนูน่นกุกเยมายกมือสร้างจังหวะมันก็เลยดีขึ้นมามันก็สีไฟมันออกมาแล้วแห้งแล้วมันแห้งแล้วมาสีไฟยกมือลู่ลุกมือลู่ มันก็เกิดไฟได้ไง่ายเกิดวันรู้ธรรมได้ไง่ายเห็นแจ้งในรูปในน้ำเห็นแจ้งในชีวิตขึ้นมาอย่างนี้นะมันบอกความเท็จความจริงมันพร้อมไม่ได้โหมมีศรัทธาเป็นทูนเชื่อมัน่นทําดีได้ดีทงชั่วได้ชั่วเลาะชั่วมาแล้วทําดีมาแล้วทังกายทางจิตใจทางคำพูดท้งความคิด พากมาแล้วตัดทิงใจมาแล้วไม่มีอะไรไม่มองเค้นหลังแล้วออกหัวเจากเรือนไม่เจียวคนด้วยบ้านด้วยเรือนแล้วยงถามแม่ชีอ ข, <c oughs> <c oughs> ขีเรชื่อเอีแม่นะี่ยังกเกาะฮะ นั่นนั่งยนมาคิดดวงเน <laughs> ีดวงผู้ใดอยู่ว่นออเนี่ยพ่อใหญ่เฉยแต่ะพ่อใหญ่เฉยอยู่โอ้คิดหม้อพ่อใหญ่ออเฉยนึ่งว่าเราได้พอออกใหม่ว่าอยู่น้ำมเราคิดไปคิดมาพ่อเฉยคือวางเฉยได้เี่สีห้าวันนี้ถาม พ อ, อเฉยนีหรืออย่างไรจังพ่อบ้านอย่างไหมยังอยู่ยังอยู่เพราะนั่นพ่อเฉยยังพ่อบ้านอยู่คือวางเฉยไม่รู้ว่าวิธีที่จะต้อง <c oughs> สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของเรานะอย่าไปนึกว่าตัวเราคนเดียวทุกคนเหมือนกันหมดผ่านด่านนี้เหมือนกันหมด หลานเกิดขึ้นที่แรกปันจาาชีทั้งห้าก็เอาขึ้นเขียงเรื่องนี้นะนะถ้าไม่ทำเรื่องนี้นะมันเปียกสีไฟไม่เกิดจะ่หมสร้างจังหวะหลังกดหลังกงเดินยนผฝ่าเท่าแตกมันก็เกิดขึ้นมาได้มันยังเปียกยังชุ่มอยู่ไม่ตายเรื่องนี้ มีแต่จะบริจุดปุดผงงดน้ำขึ้นมาต่างเก่าขึ้นมาอังนี้นะเราธีปฏิบัติเราก็เชื่อมัน่นมันคงมีกายมีจิตใจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตใจมันไม่รับไม่ลี้มีสติเป็น โจอถ้าไปผ่านเป็นเลนผ่านทางนี้มันจะคิดก็รู้จักตัวมันจะพูดก็รู้จักตัวมันจะทําก็รู้จักตัวเพรเราหัดไปแล้วสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนแล้วเป็นเจ้าของแล้วไม่ใช่เถื่อนเหนวอนเมื่อก่อนมีสติเปน็นอิริยู่เป็นประจำ เรื่องเกิดกับกายเรื่องเกิดกับมาจากเรื่องเกิดกับความคิดมีสติเห็นใช่มันแต่บางอย่างมันเกิดขึ้นเราไม่ได้ใช้มันมันเกิดขึ้นมาเองถ้าเราไม่เจงด่านนี้ก่อนจะไปเจงด่านโน้นมันก็เจงไม่ได้เรา เลึกได้ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดที่ทำที่คิดอยู่เรารู้สึกตัวได้อันนี้เป็นส่วนตัวส่วนตัวที่เราเจตนาใช้ก็ถูกต้องต้องเจงตรงนี้ก่อนอันหนึง่งมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ใช่ ม, ใชมันเช่นความเจ็บมะแนว ถ้าเราไม่เก่งตรงนี้จะไปเก่งตรงนั่นมันก็เก่งไม่ได้มันเจ็บมันตายอย่างนีนมันต้องเก่งที่นี่ก่อนต่อไปอดไปทนที่ท่านเป็นก็ทนไม่ได้อดไม่ได้ความเจ็บเป็นความเจ็บความตายเป็นความตายไปเราจึงหาตรงนี้ก่อนเหมือนเราท่องจอมเรียนหนังสือม็นยังอ่านได้เขียนออก ฝึกงานฝึกการมจะทเป็นเจ้าใจไปทำอะไรก็ทำไม่เป็นเหมือนนักกีฬาเขาฝึกจนชำนิ ช, นชนานาญจึงลงสนามล้วก็ได้ชัยชนะเป็นแชมป์ไปสนามรอบของ ชีวิตมีมากมายถ้าไม่เปึกไปก่อนก็ลบไม่ชนะเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนักรบสองประเภทนักรบประเภทหนึ่งพอยได้ยินเฉียงปืนเฉียงธนู ได้เห็นื่อฝุ่นในสามลกอยขึ้นบนท้องฟ้าตัวแล้วไม่ยอมลบแล้วพ่ายแพ้แล้วนักลบประเภทนี้มีในนักปวดหมายถึงว่าบริยินว่าหญิงงามชายงาม ก่อแพ้่แล้วงั้นชำไหมก่อนหญิงงามเมืองที่ประเทศต่นเดียงเชื่ออะไรสิรีมาเลยใช่ไหมใช่ไหมสิรีมา <c oughs> เป็นหญิงงามเมืองแล้วก็เป็นปัญหาแฉพสงมาก ก็เห็นว่าชิริมาที่ไดนก็หวั่นไหวทุกทีแพ้ทุกทีเกิดความลักความพอใจฝ่ายฝ่ฝันนี่คือได้ยินเพียงได้ยินได้ชื่อว่าชิลิมาก็แพ้แล้วผู้หญิงก็รักผู้ชายผู้ชายก็รักผู้หญิง น, นี่กอดแพ้ให้พแพ้ความรักเป็นความรัก ความพอใจเป็นความพอใจเรียกว่าแพร่สงขามเป็นนักลบประเภทหนึ่งนักลบประเภทที่สองลงสนามลบทนต่อความเจ็บปวดใดบ้างชู่ไปใดบ้างเวลาตาเห็นโลกทุกคนเอาหูได้ยินเสียง จะบูได้กินลล่นได้ลดอดทนวางได้บ้างแต่ต้องสู้ลำบากรากกรรมหนักหนาสาหดตัวที่สุดสู้ไม่ไหวตายในสนามโลกนี่ประเภทที่สองแล้ว ก, ก็นักปวดสู้กับพิเันหาอ ด, นอดทน วัตถุสูตก็หนักมากทนไม่ได้เหมือนก้อนเมฆทนโตัวน้ำฝนอไรก็พังทลายลงไปปล่อยให้ความนักความพอใจความครั่งไคล้เกิดขึ้นแก่ตัวเองห้อยแพ้ขึ้นมาความโกรธเป็นความโกรธควทุกข์เป็นความทุกข์นี่ประเภทที่สองได้ว่านักลุกนักลุก ป, ประเภทที่สามขณะนะในสนาม หน้าในสนามทุกอย่างเหมือนช่างศึกของพระราชาตกลูกศรมั่งไม่เป็นไรยังเข้มแข็งสู้ไม่ถอยแล้วานเนี่ยไปดูพระทางานกำลังสลักตัวสัอเขียนมาลูกตาถากฏไม่มีถอยเราก็พอใจนะก็ะโทษ ว่าป่าสูงโตแงแทมันออกมาจากไหนล่ะมันออกมาจากกิจใจของเขาลูกพัตนากตสู้ไ้่ถอยนี่คือผู้ที่จะชนะสิบทิศในสนามเลยทีเดียวเพราะไม่กลัวแล้วแค่นี้เองอมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์ มันสุกกันมันสุกไม่เป็นสุกมันโกดมันลงมันเจอกิเลตันหนาขึ้นมาสู้ไม่ถอยนี่คือโลกสถาคตเราก็มัน็ว่าเราจะมีที่พึ่งแล้วถ้านักปวดคิดกันอย่างนี้ถ้านักบวดอะไรก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันก็หมดทางแล้วไม่รู้จะพึ่งใครสาธารณญาจะไม่มีนั่นเรา เราปฏบัติเพืตั้งเราตัวเองโดยเฉพะวิชากรรมฐานเนี่ยมันมีไม่ใช่เราจนคนเดียวมันเกิดขึ้นแก่เราเกิดขึ้นต้องผู้อื่นก็เหมือนกันอย่างฟวงโมงโหัวนอนนี่ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกคนอื่นก็เกิดเกือบทุกคนเป็นภูเขาลูกแรกที่ต้องผ่านเหมือนกันหมด เขาก็คนเราก็คนเขาก็ชีวิตหนึ่งเราก็ชีวิตหนึ่งมาให้มันใหญ่ขึ้นมาตรงนี้แข็งแข่งขึ้นมาตรงนี้บ้างถลาตูดได้ตรงนี้บ้างอย่าไปยอมอ่อนข้อนะหลานพวกเขารู้นี่โอ้โม่งเอาหนอนุอถีนะไม่ทาไปบาถีนะไม่ทากรรมราคะปฏิกามานะทิฏฐิ ไปเลยมันเป็นข้องแข้งของขาติดตัดขาดไปเลยให้มันเชื่มแข็งถ้าอ่อนๆค่อยๆมันไม่ขาดแรงๆน้อยของที่มันหนักหงไม่หนักเหน่ไปเอาของที่หนักทำให้ อ, อ่อนแอแล้ว ก, ก็จะตายเพรไป วิธีปฏิบัติเราก็แน่วแน่อยู่แล้วํำได้ทุกโอกาสนั้นหลงลูกนันทุกรู้นนไปทางนี้กันต่เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในกายเชื่อมั่นในใจเชื่อมั่นในคำพูดร้อยเปอร์เก็ว่าได้แต่คิดอะไรมันคิดผิดไม่เอา ได้บทเรียนจากมันมันพูดผิดไม่เอาได้บทเรียนจากมันมันทําผิดไม่เอาได้บทเรียนจากมันทึกตนศอนตนปึกตนศอนตนหนึ่งอาจจะไม่ดีสองอาจจะดีขึ้นหน่อยสามอาจจะดีขึ้นมากดีไม่อยู่สามดีดีมันดีอันแรกดีกว่าอันที่สองดี ท, ที่สุดอันที่สาม หลวงพเทียนพูดอย่างนี้ บ, บ่อยๆดีที่ดีที่สุดจุดทรามดีที่สุดเราจึงไม่นจนนะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีทางจนมีช่องมีทางควมหลงงาเพิ่มกับความไม่หลงความทุกข์มาเพิอมกับพวามไม่ทุกข์ มีคู่กันแน่นอนอย่าไปจนเหมือนพระจิตถะมองชีวิตของตนเองเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดเมื่อมีความแจอก็ต้องมีความไม่แจอเมื่อมีความเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บเมื่อมีความตายก็ต้องมีความไม่ตายเป็นเจนคิดวัดเอาไว้เป็นธงชัยเาไว้สมบัติอยู่ข้างหน้าเหมือนกแับบ พระพุทธเจ้าเดินอยู่ข้างหน้าสมัดธงอยู่เหมือนแบบสมัยภูชขีธวหินลงกล้าสมัยหัวกอโคลงแข่งๆอะไร้็เนี้ยร่มตำรวจชายแดนได้ไม่ได้ออกว่าวันที่กินข้าวกินน้าเลยน้อยหลวง ขึ้นเครื่องบินไปสบัดธงออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ตีออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เต็มเพลนที่แล้วเปิดทางได้แล้วทางเนี่ยปลอหนาลงไปออกมาทางนี้สบัดธงไปเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเต็มหมดพื้นที่เราออกมาได้ออกมาได้แต่พวกรอบอยู่ทางนี้ใช่ไหม ที่สวรรโทงเนี่ยอเขาล่มมาเราบดเราเปิดทางหนีไปทางอื่น <laughs> เป็นกิตต่อวิทยา <laughs> หลวงก็เจ็งน ะ, อ, ะออกออกมาได้งานาทางนี้เขาเปิดทางให้เลยเพราะกิจต่อวิทยาเขาเปิดทางก็ออกมาออกมาหลงศักดิหลางชายคนหนึ่งเป็นตำรวจหลาเล่าให้ฟัง ล่านตัดผมแย่งกันเอาไปตัดผมให้ผมยาวหลงหลงในจะลบเอาคนอื่นเอาคนอื่นไปแทนไม่ได้ตายต้องเอาคนนี้ไปผมโผายาวจ้องอนจับแขนจับตัวไปไปกินข้าวไปกินน้ำไปอาบน้าําตัดผมให้แย่งกันไปเลยนี่คือนักลกเราก็เหมือนกัน แต่เรามันหลงมันต้องมีความไม่หลงและมันมีกิเลตัณหามันต้องมีมีกิเลตันหาประศาสาตร า, าของเราพล่านเป็นละร้อยพันพั น, พ น, มนหมือนหมื่นไม่ใช่เราคนเดียวแม้เราอยู่นี่ก็มีเพื่อนมีมิตรบวชมาสี่สิบห้าสี่ปีก็มีไม่ตายไม่จําเป็นนี่ไปกลัวทำไมไปคิดในเสียวเวลา เจ้าโชวขึ้นเสียงโอ๊ะส อ, อย่างนี้ขึ้นเสียงโชมัดไม่องคปดเลยสามมาทติสามมาสกะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอริวาสัมมาวายมามะสัมมาสติสัมมาสมาธิโเนไปด้วยอวรยิยสัจสรองไปเลยมันเลี้ยงไปเลยทุกขออ์อริยสัจจัง เราลู่เห็นต่อความจริงว่าทุกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ล้างไปเลยตอนจับพี่ก็รูดไปเลยฟักไปเลยศาสตร์ไปเลยด้วยเทชนาที่มันเป็นจริงบอกความเทิดความจริงต่อพูดปฏิบัติมันสัญญาณเป็นความลู่เป็นความเห็นเทิดที่ใดมันก็คูดให้เราถูดให้เรา เหมือนกระเดาะไฟหุดหูดที่เลยก็สอัดทุกทีของทุกของอริัจจังปันปัญญาปัญติเปรภิกษุไปอิเมจจุตจตเตจุลิจตเตสุปายเชิทุกสมเด็จนี้ทุกเห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกคนจอดทุกไม่ปัจจยสามมีการสืบสวนเราเห็นตามความเป็นจริงโชดิจจจิตขั้ขงสุดทา้าย มันจะอยู่ได้ยัถ้ามีแนวร่วมดีๆให้มีแนวร่วมกับธรรมอย่ามีแนวร่วมกับบัตรธรรมจงเคารพพระนธรรมอย่าเคารพบัตรธรร ม, รรมพระพุทธเจ้าทุกองคเคารพพระนธรรมได้เป็นมาแล้วกาลังเป็นอยู่ด้วยและจะเป็นไปด้วย ต้องไปอย่างนี้จงละทำดำเฉียวเล้วเจริญทำขาวจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเฉียเป็นผู้ไม่มีความกางังวลจ ง, งยินดีเฉพาะตพระนิพพานคือไม่เป็นอะไรไในชัยช น, นะเปริญจาตายคนตาย ในว่ามันเชนะแล้วไม่มีอะไรเหมืนกับพวกกับป้กี่หน่อยเหลือศูนย์ชีวิตเหลือศูนย์ศูนย์ตัว น, นั้นเป็นที่หมายแต่ยังมีอะไรอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงตัวไม่ใช่คะแจอดเหนก็เราทําคะแนนจอแต่ยังมีเศฟมีอะไรอยู่มันยังไม่ลงตัวยังแบ่งไม่ได้เอาให้มันลงตัวหมดเตี้ยงไปเลย ชีวิตของเราเป็นคณิตศาสตร์มังหเหลือศูนย์นั่นและความทุกข์ก็เหลือศูนย์ความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหาเหลือศูนย์มมมนนยไม่มีค่าเราก็เลยยินพระเจ้าจแสดงธรรมไม่ไม่ให้ที่อยู่ไม่ต้นล็อกไม่ให้ค่าถ้าลดคืนมันจะเหลืออะไรมันต้องเหลือศูนย์แ น, น่อน อะไรที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างที่ทำกับมันไม่ต้อนรับบอกคืนไม่ให้ค่าไม่ที่อาศัยไม่มีที่ให้อาศัยจะว่าจย่งชิดที่ 100% ยล้วชนเ่อี้มันหลงเราไม่หลงเนี่ยมันทุกข์แไม่ทุกข์เนี่ยชิที่ของเราแน่นอนไม่ต้องข อ, อยาจากใคร นี่ปฏิบัติธรรมมันจึงพอตัวโอ้ขึ้นวัทันทีมนุษย์สมบัติทันทีจิทธิเรื่องนี้ส่วนตัวมากที่สุดจิงที่มาเกิดขึ้นมาที่หลังจิตของเราเนี่ยมันดีจะเดินอยู่แล้วมันปรุงขึ้นที่หลังโอ้ความคิดเป็นตะวันของจิตมันปรุงขึ้นที่หลังเพราะความคิดเอ ง, เอ ง, องจิตมันไม่เป็นเลยหรอก เราก็เลยปูนเพื่อนเลยเป็นนิสัยเม็นจริดไปมันปูนเพื่อนเราจะมีสติเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นใหญ่อยู่แล้วเป็นพู้ดูแลเรียกว่าสติปัฏฐานไม่ตามไม่ถมตามมาทั้งหมดว่าปัฏฐานนี่ไม่ที่ตั้งไม่ที่ไม่ที่อาศัยเป็นนิมิต ตึกตนสอนตนอย่าไปจนเรื่องการปฏิบัติเนียมันมันมีทางเยอะแยะเลยนะหาช่องหาทางไม่เอาด้วยบนเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยคนเอาด้วยคาถาต่อไปทําไม่รู้เยอะก็ลมหกหําเพลงเหมือนพระเจ้าเพราะจริงนี่มีจริงนี่จึงมีเพราะจริงนี่ไม่มีจริงนี่ก็ไม่มี เ้าจะเคยก็หำเพีงอยู่ลําพังเพียงเดียวแต่ต่แต่แต่แต่พอชิงนี้มีสิ่งนี้จึงมีแต่ชิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีนี่แล้วชิ่งใดที่มันมีแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนชิ่งไหนไม่เที่ยงชิ่งนั่นก็เป็นทุกข์ชิ่งไหนเป็งทุกข์ิ่งนั่นไม่ใช่ตัวตน ยิ่งแต่ไม่ใช่ตัวตนเช่นนั้นก็ไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองนี่ไม่ได้ด้วยมวลก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยคนก็เอาด้วยคาถาเป็นหลักเป็นเชณนอย่างนี้นีออยอะแยะเไปจนุนอาศาความทุกข์กจาดความคิด ความสุขเกิดจากความคิดความทุกข์เกิดจากสมมุติมันหยัดความทุกข์เกิดจากความยึดมัน่นถือมั่นความสุขความทุกข์เกิดจากความไม่รู้ไม่ไม่มีสติถึงจีเรามีอยู่นี่มีสติอยู่นี่ยกมือขึ้น่อนไหวมาไม่อยู่นี่ถ้าหลวงปู่พร้อมแล้วในความพร้อมที่สุด ผมเจเปลี่ยนหลงเป็นรูได้เย็นไล่ลเป็นดีได้หรือว่าปฏิบัติธรรมมันเป็นการศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะอย่าไปเชื่อใครแต่หลวงพ่อผู้จุดนี้ก็อย่าไปเชื่ออย่าไปศััท้าเราอ่อยทำดูเชื่อการกระทำโน่นการกระทำต้องเป็นของตัวเองไม่ใช่คนอื่นทำให้ได้ ถ้ามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเชื่อตรงนั้นเปลี่ยนได้ไหมยร้างตัวลูกขึ้นมาเอากายมาเป็นวัตถุอุปกรณ์ผิดความลูกขึ้นมารจะชี้ทำได้ไหมถ้ามันลูกอะใช่ตัวนั้นใช่ตัวกรรมนั่ น, นการกระท ham นั่ น, นการกระทํานี่เป็นใหญ่เราทําดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่ว มันไปคิดสุบอย่างที่เราจวดเมื่อกี้นี้อ้อที่เจ็ดมันไปคิตกวนพิชเกลดาเนืองเนว่าเราทําดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วเชื่อไหมตรงนี้เชื่อเพราะอะไรเพราะการกระทบกรรมเป็นของจําแนกจัดเจึงออกมาทํากรรมเนี่ยกรรมฐานเนี่ยประกอบมันขึ้นมาไม่ใช่คิดต้องประกอบ ธรรมะจะเกิดก็เพราะการประกอบขึ้นมาถ้าไปคิดไปนึกเอามันเกิดไม่ได้ต้องสมผัสเอาให้มันรูปจริงๆเป็นชดเป็นสวนตมหลงเป็นตัวรูปไม่หลงเป็นตัวรูปไม่เสือหอยโอมรูปจิกตัวไปอยู่ตรงไหนก็เป็นโครมรูปจิกตัวเหมืกับเพชถอยแม่ตะเกียกขี้ตมอยู่ อยู่กับดินก็ยังเป็นเพชรอยู่เพลอยเป็นทองคําอยู่ตอนควมรู้จึกตัวอยู่ที่หน่อยเป็นความรู้สึกตัวอยู่ที่ความเจอก็มีความรู้สึกตั ว, ม ว, มมตวไม่ได้เจอพเพราะความแจม่มีความเจ็บก็มีสติมีความรู้จึกตัวเป็นเพชรเมร็ดงามเมื่อการเกิดเมื่อการเจอเญเมือการเจ็บเมื่อกันตาย มาที่อื่นไม่พบอยู่ในตัวเรานี่มารู้จักตัวเรานี่คนพบเหมือนอาจารย์เจ้าคุณพุทธาสว่ามารู้จักตัวเราคำนี้หมายถ้าคนพบตัวได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการนอกอู่บาญอยู่ในเราอยากเข้าไป ในโลกปวงมีแม่ เ, มเนรเดกุตเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตัดจะรู้หรือรู้เชิงใดล้วนมาจากอยู่ในตัวของเทวของท่านมันเองของสูเองอยู่ในความรู้จากตัวของสูเองคือทุกคนมีในเรื่องนี้อยู่พุตรามีในชีวิตเราเราเคารพพระพุทธ พระธรร ม, ม, มพระสงฆ์ที่อยู่ในชีวิตของคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในชีวิตของผู้ใดก็เป็นสิ่งที่น่าเคารพเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยได้พระพเจ้าจึงเคารพพระธรรมผู้ใดกล่าวทำสอนท่งพระพิจ า, ารณาเคารพจะนั่นลงลงต่ําทันทือ เหมือนลูกสิษ์นิกาจาิย์ศิษ์งูไปเรียนเชินอาจารย์เชินกับลูกสิดย์ลูกสิษย์ายยมตายบาดตามตามหลังไปกับอาจารย์ พอไปถึงป่าบายน้มใสไหลเย็นเงียบสงบลูกสิทธิ์พูดพาญามก็ชวนอาจารย์นะอาจารย์น่าจะพักอยู่นี่เ น, นาะคืนสองคืนปฏิบัติทาอยู่นี่คงจะสงบดีมีน้มใสมีความสงบวิเวกมีการเปิดปฏิบัติอยู่นี่น่าจะดีเนาะอาจารย์ฟังลูกสิท์พูด ไปขอพาย่ามกับลูกศิษย์เอาย่ามมาเราจะพายเอาบาดมาเราจะพายบอกให้ลูกศิษย์เดิน ก, ก่อนไปเดินก่อนเราเราจะตามหลังเข้าใจไหมไม่ชิดหน่อยเฮ้ยใจก่อนลูกศิษย์พาย่ามเดินตามหลังอาจารย์ตัเน้นตัวลูกศิษย์พูดจะนั่งขึ้นมาอาจารย์เลยไปโผลพาย่ามกับลูกศิษย์ ปลายกับโรกจิตให้โรคจิตเดินตกรตอนนั้นอาจารย์คารพบโรคจิตว่าคิดแบบมีพระธรรมในหัวใจก็เดินไปก็ <c oughs> เดินไปอีกเห็นต้นไม้สูงสูงเห็นป่าหญ้าเห็นน้ำไหลเทอมเป็นชําเป็นน้ํำชับลุ่มลื่มน้คขังโรกจิตก็พูดกับอาจารย์ว่า อาจารย์ที่นี่น่าจะสร้างบ้านสร้างเรือนปลูกว่านปลูกเรือนทำนาทำข้าวดีนาะเถือนเนี่ยอาจารย์ก็บอกเอาพายะมาเนี่ยพายะไปมาไปเดินตามหลังเราเราจะเดินเอาก่อนเดินไปเดินไปไปถึงแม่น้ํามีผู้หญิงคนหนึ่งข้ามน้าไม่ได้ น้ำ ม, มันหลายแต่เวลานั่นก็ค่ำแล้วเรือไม่มีแต่ไม่ลึกเท่าไหร่เขาเยิงคนนั่นเขาเขาผูกเท่าคนจีนเขามัดเท่าไม่ให้ถูกน้านะกว่าเท่าเท่าสองสามนิ้วนี่ให้ถูกน้เก็บน้ำไม่ได้อาจารเช่นก็อุ้มเลยอุ้มหญิงคนนั่น แบกขึ้นมาเดินข้ามน้าไปพอถึงฝั่งแล้วก็วางลงแล้วก็ในน้อยก็พาย้ยมเดินตามไป <c oughs> ในน้อยก็ไปถึงชื่หมายไปถึงที่พักคุณคิดออาจารย์ของเราทำไมาจะกุ้มผู้หญิงขนาดนี้คิดไหมได้คิดไปอดไปได้ถามอาจารย์ ทำไมจึงอุ้มผู้หญิงไม่ต้องเอาบัทนะจับต้องกายหญิงนะอุ้ยเราเอาพิงไว้โน่นเอาวางไว้ฝั่งมแม่น้ําแล้วเน้นจะอุ้มมาถึงนี่เลยไหะเราวางไว้โน่นแล้ววางไว้ฝั่งน้ำโน่นแล้วเราไม่รู้อุ้มมานะเอาวางไว้โน่นแล้วเอววววเอาวางก็มีด้วยประกาศเฉย